นั่นแล้วนะครับรุ่นที่เรามารุ่นห้านี่นะครับจงภูมิใจถือว่าอีกหลายร้อยคนนะครับที่เขาอยากมาอย่างเรานะครับก็ไม่มีโอกาสมาเราจงภูมิใจถือว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เรามาได้ทําสมาธินะครับมาเจริญสตินะครับภายในห้าวันนะครับถึงห้าวันนะครับอาจจะมองเป็นการมาวันแรกนะครับน่าจะขนทางอยู่ยาวไกลนะครับกว่าจะถึงห้าวันนี้ทรมานมากนะครับ ผมจะความรู้สึกจริงๆนะครับว่าทรมานมากนะครับโดยเฉพาะวันแรกนะครับทุกคนอาจจะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับเราต้องรู้ตัวเองว่าเมื่อตอนเราอยู่บ้านนะครับก็ยอมรับว่าพวกเราใช้ชีวิตนะครับไปในทางที่ถูกใจนะครับแต่ไม่ถูกระบบนะครับนึกออกไหมครับว่าทําใช้ชีวิตถูกใจนะครับถูกใจหมายความว่า เราอยากได้อะไรเราอยากทำอะไรเราก็ทำตามใจตัวเองนะครับอยากซื้อรถอยากได้รถนะครับอยากไปเที่ยวไหนที่รู้ดีนะครับแต่เราต้องมองตรงข้ามด้ ว, ว่าเราทำไม่ถูกต้องนะครับตรงนั้นนะครับคำว่าถูกใจก็มันไม่ถูกต้องแต่ว่าสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับที่เรามาอยู่กันตรงนี้นะครับภายในห้าวันนะครับก็ทาให้เรารู้สึกดีขึ้นทุกคนจะสัญญากันได้ไหมว่าเราเปรียบเสมือนเป็นเมล็ดพันธุ์ นะครับที่เราถูกคัดมาจากในชุมชนคิดว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยสี่สิบกว่านายเนี่ยคิดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เกตเออาจารย์ร เ, เนาะที่โดนคัดสรรมาจากศิลป์ปัญญาจากโรงเรียนนะครับในเมื่อเราดูคิดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วได้เมื่อคืนกลับสู่ชุมชนไปนะครับเราก็จะไปเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับคนในชุมชนของเรานะครับในหมู่บ้านในตําบลของเราให้รู้จักมีสติ นะครับใช้ความคิดใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับถ้าพวกเราทุกคนนะครับสี่สิบกว่าคนนี่นะครับถ้าได้รับการศึกษาจากพระอาจารย์ห้าวันคิดว่าก็คงพอนะครับเราไม่ต้องไปทำร้อยเปอร์เซนดเด้อนะครับเอาเอาพอสมควรพอประมาณนะครับให้รู้ว่าเรามาฝึกตั้งห้าวันนะครับพระอาจารย์ก็ถ่ายทอดวิชาให้เราเต็มที่นะครับแต่ทุกคนก็รับไปเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพในหมู่บ้านของเราว่าเราจะไปจัดการกันยังไงนะครับยังไงก็เชื่อว่าต้องขอรับว่าพวกลูกศิษย์ที่มาอยู่นี้นะครับาอาจารย์ว่าจะไปเป็นเมล็ดพันธุ์ในชุมชนต่อไปและจะทําให้ดีที่สุดสําหรับได้รับการถ่ายทอดจากพระอาจารย์มาและจะนํากลับไปใช้อย่างเต็มความสามารถขอบคุณครับ <c oughs> เออเดี๋ยวไม่ได้ประกาศเลือกกาแฟเลยเมื่อกี้เ <laughs> นี่ยไม่ได้ประกาศวันที่เรือกยังไม่ได้ประกา ศ, กศเลือกธาตนุนะออก็หลวงพ่อว่าลืมไปนิดหนึ่งถ้ากลับไปยังเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่นี่หลวงพ่อไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ต้องเป็นต้นกล้าแล้ว <laughs> ใช่ไหมมามาตรงนี้เอาเมล็ดพันธุ์มานะมาให้หลวงพ่อพล่อใช่ไหมแตอนนี้งอกแล้วเนี่ยกลับไปต้องได้ต้นกล้าไปถ้าคืนเป็นเมล็ดพันธุ์ไปในมันแห้งแล้วมันรีบเลยนะไม่มีโอกาสได้งอกอีกเลยนะ ต้องเก็บไปตัวเป็นต้นกล้าแล้วเพิ่งกล้าไปถึงบ้านก็พร้อมยืปลูกนะเพตอะนั้นก็ถ้ายังไม่ปลูกก็อยอาต้นกล้าไปทิ้งหน้าบ้านกันแล้วกันการุณารดน้ําไว้หน่อยหนึ่งเผื่อว่าคนอื่นมาพบเขาจะไปปลูกได้นะคุณสมศักดนะิ์น่ะหวังว่าคงจะไม่เอ า, มาเมล็ดพันธุ์กลับคืนไปนะพ่อหลวงพ่อเพาะขึ้นก็เอาไปเอาไปปลูกอย่างเดียวได้เป็นต้นกล้าไปถึงไม่จะห้าวันแต่ว่ายาวได้สักศอกสัก คือก็ยังดีนะกลับไปบ้านก็จะไปปลูกต่อได้เลยถ้ายังเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่ไปเอาไปปลูกนี่องคพ่อว่าเมล็ดง่เมได้หามหนีแน่วางนั้นไม่ <c oughs> <c oughs> งั้นก็นอนเจาะเรียบร้อยเลยไม่ได้ไม่ได้โตละนั่นก็ขอให้คุณที่ ค, คุณสุศักดิ์เธอว่ากลับไปแล้วเนี่ยเราในฐานะถูกเลือกมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยทุกคนก็ ง, งอก ส่วนจะงอกมากงอกน้อยก็อยู่ที่ว่าต้นกล้าจะเข้มแข็งมากน้อยเท่าใดนะทีนี้ท่านต่อไปสำหรับตัวแทนฝ่ายหญิงจะเลือกใครต่อตคุณวันลุงมาอืวันลุงขึ้นอืในฐานะเป็นผู้เทคแคร์เลยว่าเทคแคร์ปราบกระบดนะ <laughs> วนด้วยนวนไม่เลื่อนแถวนี้ไม่ได้โอเคอ่าววันรุ่งจะเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันนี้ลองรู้ใค่ะก็การธรรมสกุลการพระคุณเจ้าคะและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พี่นักศึกษาทุกท่านค่ะ ตั้งแต่ได้มาปฏิบัติธรรมนะก็มีความรู้สึกที่ดีมีจิต ท, ที่สงบขึ้นค่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่างดข้าวอาหารเย็นค่ะก็เป็นคนตั้งแต่มปฏิบัติธรรมนะคะก็มีแบบมีอารมณ์ที่เย็นลงนะคะ่ะกลับไปก็จะเอาไปปฏิบัติที่บ้านค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ ได้สมาธิมีสมาธิขึ้นค่ะเหมือนมีสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะก็หลวงพ่อพาขึ้นเขาไม่ปวดขางดอาหารเย็นแต่เป็นคนที่ทานจุกจิกก็ไม่ได้ทานนะคะทาค่ะมีการออกกำลังกายที่ดีก็ได้ความสงบค่ะจากเป็นคนที่แบบ เคยคิดมากอยู่บ้านคิดเลยหลายเรื่องนะคะตั้งแต่มาอยู่นี่ห้าคืนหกวันไม่คิดอะไรเลยคะ่ะลืมไปทุกอย่างเลยคะ่ะสงบมากเลยคะ่ะคิดว่าถ้ามีเวลาก็จะหาเวลามาปฏิบัติอย่างนี้อีกคะ่ะและจะนำสิ่งดีๆที่ได้รับกลับไปสอนลูกหลานที่บ้านคะ่ะ ถือไมในคาราโอเกะห็นถือได้ทั้งคืนเลยเนาะมาที่นี่ถือเดียวๆท่าทีนึงเนี่ยถือไม่ในคะาราโอเกะชัดเจนเลยนะในคาราโอเกะไปสลัวสวเนาะแล้วก็ถืออย่างนี้แล้วพ่อแอบไปเห็นเข้านะใช่ไหมเอาขอตัวแทนผู้ชายอี ก, กท่านหนึ่งออาขอจ่าสมลาน เดี๋ยวเมียจะบ่นเอาครับออกมาสักหน่อยกับกับนมาสการพระคุณเจ้าเรียนท่านศรีประจันแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนักศึกษาทุกท่านนะครับผมจ่าสิบเอกสำราญนะครับก็ตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะครับจนถึงรุ่นที่สี่ว่าจะนะครับจะาก็ได้แต่จะาสองคนแล้วก็หลายๆคนนะครับทางศูนย์ อ่าเ ส, เสมานครก็ยังสงสัยนะครับตอนมาบอกอาการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะครับแบบไหนนะครับตอนแรกที่ผมสงสัยคือผมเห็นท่านาจารย์มาเสิร์ฟเนาะจำได้ไก็ตอนนั้นใครไปที่เขาพลิกมั้งครับยกมือครับอ่าไปเขาเขาพลิกผมก็ยังสงสัยไปยกมือทำปุ๊บปบผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันจะได้ประโยชน์อะไรนะทํามือเนาะทำไมไม่สวดมนต์ภาวนา ผมก็สงสัยเรื่อยมานะครับแล้วก็น่าสงสัยอีกครับวันมานี่ก็แทนที่จะเข้ามาอีกทางหนึ่งก็ไปอ้อมมาไปอ้อมมาทางาเข้าโชคชัยนะครับเข้าอ้อมมาทางาเข้าเปนคนบุรีก่อนแล้วถึงออกมาทางนี้แทนที่จะมาจากปากทงชัยและตรงเลี้วเข้ามาจะใกล้กว่านะครับหลงตั้งแต่วันแรกนะครับอพอเข้ามาปุ๊บตอนบ่าย อาจารย์ท่านก็พารับศีล น, นะครับรับศีลเสร็จนะครับท่านก็พามาตรงนี้ใช่ไหมครับก็มาปฏิบัติวันแรกนี่สติแจ่มใสมากผมสังเกต ด, ดูทุกคนตั้งใจนะครับมีสติแจ่มใสจเจริญเจริญสตินะครับแบบเคลื่อนไหวด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนะครับผมจําได้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาตีสามนะครับตีสามมีบางคนตีสองครึ่งลุกขึ้นมาก่อนครับ แสดงว่าสติดีมากนะครับก้องแกงก้องแกงไฟฉายสองพระอาจารย์ไม่ต้องปลูกเองครับมีคนปลูกโดยเฉพา ะ, ะสาวๆครับสาวๆ่็จะมากันก้องแกงก้องแกงนะครับผู้ชายนี่ไม่เท่าไหร่ครับสาวๆมามาแล้วก็มาถ้าการบริหารวันแรกรู้สึกว่าชโลมนี่เมื่อยแขนเลยไหมวันแรกขึ้นไปเมื่อยเลผมรู้สึกเมื่อยนะครับปวดนะครับปวดแขนตอนตอน ตอนเช้าเมื่อยแขนออกกายบริหารเสร็จเมื่อยแขนเสร็จเอพอประมาณสักหกโมงพระอาจารย์พาขึ้นเขาใช่ไหมครับวันที่สองเนาะอ่าวันที่สองพาขึ้นเขาครั้งแรกนะครับที่พวกเราขึ้นเขาผมจําได้นะครับบางคนก็ค่อยๆจับบีบหัวเข่าขึ้นต้องและท่านพระอาจารย์ให้นับด้วยตะโกนว่ผมอะอยู่ท้ายสุดก็ก้าวขายาวๆแบบทหารเนาะครับ จำพวดพวดพวดพวดพวดพว ด, พว ด, พวดขึ้นไปนับเท้าไม่เหมือนหมู่เขานะครับน้อยกว่าเขาตั้งเยอะนะครับโดนลงโทษขาลงนับใหม่นับบันไดพผิดอีกเหมือนเดิมครับเริ่มไม่มีสตินะครับวันแรกวันที่สองนะครับที่ขึ้นไปพอวันที่สามที่สามนะครับหลวงพ่อพาานนะระอาจารย์นะครับพานะฮะพาเจริญสติใหม่นะครับ เริ่มเริ่มได้ผลนะครับตอนนั้นเริ่มมีเขาเรียกว่าจิตละเอียดขึ้นผมเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะทําไมก้าวไม่เหมือนชาวบ้านเขาผมก็เลยไปเมียงมองนะครับเวลาพระอาจารย์ท่านเดินผมแอบชมเรืองมองอ๋อท่านก้าวแค่นี้เองไอผมมาไปก้าวยาวๆก้าวฝับฝั่ท่านก้าวแค่เนี้แปับแป๊บแป บ, บ, บ, บระยะท่านเสมอเสมอทุกคนเคยสังเกตพระอาจารย์ท่านก้าวเดินไหมครับ <S <S อ่าท่านจะเดินนี่เสมอกันนะครับนอกจากเวลาสะดุดถิ่นท่านจะไม่เสมอครับ <laughs> นะครับท่านเดินเสมอนะสังเกตดูนะแล้วสังเกตดูลมหายใจท่านไหมครับเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีต้องสังเกตอาจารย์ด้วยนะครับท่านทำแบบไหนเราแบบนั้นรู้ไม่รู้ก็ช่างขอจะขอตามแบบนั้นรับรองได้ผลนะครับเพราะวันที่สามผมได้ผลครับนับถูกครับขึ้นเขาจำได้ว่ า, าขึ้นไปทางนี้ผมนับถูกครับโป่งเป้เลยนะครับ เท่าไรนะผมจําไม่ได้เท่าไรคือพี่สมศักดิ์วันนั้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้หนึ่งพันสามร้อยที่ขึ้นทางเนี้ยทางหลังเนี่ยทางเนี้ยที่เฉลิมนับตรงต้นมะม่วงเนี่ยเท่าไหร่น้องเฉลมิมไม่ไม่ใช่เนี่ย ต, ตรงตรงต้นเนี่ยไม่นับแบบเคลื่อนนับแบบเก้านับแบบเก้าหกร้อยกว่าใช่ไหมเออแล้วเราก็เอาเคลื่อนก็คือเอาสองคูณแล้วก็บวกหนึ่งเข้าไป อ่าฉลองผิดเอาโทษทีครับถอนยานะครับเริ่มถูกนะครับเพราะว่าเริ่มจับทางได้นะครับการก้าวแต่ละก้าวการเคลื่อนนะครับการยกเท้าการถ่ายเทน้ําหนักนะครับการจับระหว่างจังหวะหัวใจกับการก้าวการหายใจของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันกับการก้าวไหมช่วงนั้นผมขึ้นไปในเหงื่อออกนิดเดียวครับไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยแล้วก็ตอนลงมาก็ไม่เหนื่อยแตดเหนื่อยนะครับเหนื่อยตอนที่ไปไปนั่งพอดีไม่สบาย ผมก็แอบพาจา์นิดนึงนะครับผมผมทนไม่ไหวผมเลยไปงีบอยู่ข้างหลังครับคนโลภคนไม่บอกใครนะครับเนี่ยนะครับดังนั้นครั บ, รบท่านสงสารครับเห็นผมไม่ไหวจริงจริงครับวันนั้นผมยอมรับครับไม่ไหวจริงจริงครับ หมดจริงๆครับหมดหมดสภาพนะครับแต่เห็นหลายคนแล้วตั้งใจดีมากนะครับอย่างชโลมเนี่ยเขาแน่นอนครับตั้งใจขึ้นไม่ยอมบน่บนปวดเมือ่อยหลายๆคนนะครับหลายๆท่านผมเห็นแล้วสุภาพสตรีก็หลายท่านนะครับมีความตั้งใจดีนะครับสุดท้ายก็คือวันสุดท้ายนะครับที่หลวงตาแชท่านได้มาตรงนั้นนะครับผมก็เสียวกันผมไม่กล้าเดินขึ้นหน้าเพราะว่าผมเป็นห่วงหลวงตาแชผมเลยเดินตามหลังไป นะครับเพราะว่าหลวงตาแช่ท่านอายุมากแล้วก็ผ่าตัดตรงนั้นตรงบริเวณนี้มาครับผมก็เลยเดินตามหลังท่านก็ยังสู้ไหวครับสู้สังขารไหวเดินนับก้าวขึ้นไปก็ท่านนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับขึ้นไปวันนั้นผมมันสุดท้ายที่ขึ้นไปผมเห็นแล้วว่าทุกท่านนั้นมีการพัฒนาการที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะร่างกายเนี่ยหลายๆคนมาวันแรกนี่อ่อนแอโดยเฉพาะภรรยาผมบอกว่า วันนั้นที่ผอาจารย์บอกว่าจะขึ้นรอบที่สองรอที่สองภรยาผมบอกไม่ขึ้นละไอ้ที่เดินตรงต้นมะม่วงเนี่ยครับภรยาผมบอกไม่ขึ้นละแต่ผมหันไปทีนู่นนำหน้าผมไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นะครับแสดงว่ามีการพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้วก็สตินะครับการจับก้าวนี่สำคัญนะครับก้าวแต่ละก้าวถ้าเราใช้สตินะครับก้าวเดินให้สติจับนะครับจับตลอดเลย มันจะไม่เหนื่อยครับแล้วก็ลมหายใจเราผมผมทำนะครับมันมันผมได้ตรงนี้ที่ที่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะโป่มันโล่งมันสบายครับมันไม่ได้เหนื่อยอะไรละครับเงื่อนมันก็ซึมออกมาธรรมดาตรงนั้นนะครับพอดีไม่สบายนะครับช่วงหนึ่งก็พยายามฝืนก็สู้ได้นะครับตรงนี้สรุปนะครับตั้งแต่วันเริ่มมานะครับผมคิดว่า มันจะได้อะไรไหมนะครับผมมาคิดหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับเพราะผมก็เคยเจริญสมาธินะครับสติแบบอนาปานนะครับแล้วก็ไปเจริญสติแบบลุกนั่งเดินแล้วก็นอนนะครับแต่ว่าทํำระยะเวลาใกล้ๆนะครับหนึ่งพรรษานะครับกับพระอาจารย์สันมาตรงนี้นะครับได้อย่างลึกซึ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอ การอธิบายนะครับของพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับวิชาที่ท่านให้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสี่นะครับเวทนาสามอวิชานะครับหรือผมก็จำไม่ได้นะครับหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าดีมากนะครับสิ่งที่ผมสงสัยนะครับผมก็ได้รู้ตรงนี้นะครับแต่ผมก็ยังจะ ศึกษาต่อไปอีกนะครับเพื่อให้รู้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามปฏิบัติจากที่ได้ตรงนี้นะครับผมก็คงจะไม่หยุดอยู่กับผมตัวคนเดียวนะครับผมคงจะนำไปเผยแพร่ต่อนะครับบุคคลที่มาได้สนทนานะครับแล้วก็ถูกอาจารย์อาชาใสยกันนะครับผมก็จะคงเผยแพร่ไปต่อไปนะครับเพื่อให้จันลงต่อไปครับขอบคุณมากครับ ทีนี้ขอพูดสมัครใจทางนี้ทั้งสองท่านขอสมัครใจทางฝ่ายชายทั้งสองท่านเอาฝ่ายหญิงก่อนท่านที่ต้องการจะมีอะไรที่จะแสดงออกแต่ว่าแม่พระาจาันทร์น่าจะเชิญเราหน่อยนะอ่างั้นเราพูดหัวขาดเลย น, นะแต่ปรากฏไม่เชิญเราเลยนี่เดี๋ยวจะเสียใจ ข, ของอกาสท่านขาเชิญเลยท่านผู้ใดที่คิดว่าอยากจะนําเสนอซิอย่างมันค้างๆในใจที่อยากนาเสนอมีไหมท่านผู้หญิงมีนะ ไม่มีนะาผู้ชายขอสองท่านเอาวนี่เนี่ท่านอะไรนะอ๋อสิริราชวงศ์ไม่ใช่สิริราชสมบัตินะครับกาบนากการพระกุญเจ้าทุกรูปแล้วครับเพื่อนนักศึกษานะครับเออผม คงพูดไม่เหมือนเขาผมพูดเรื่องทำที่ได้เพราะมันเป็นทำที่ท่านด็อกเตอร์ทั้งหลายพูดประจําแล้วมาวที่ผมก็ด้ยินพรอาจารย์พูดทำข้อนี้แหละครับที่จะพาเราไปสู่ด็อกเตอร์เหมือนกับท่านทั้งหลายที่เขาพูดได้เราได้ยินการตลอดเวลาอย่าไปถูกนะครับ พอมาวันนี้ก็ได้ยินท่านพ่อจารย์ท่านด็อกเตอร์พ่อจานพูดอีกแต่ความหมายมันสั้นๆแค่นั้นเองคิดอย่างละเอียดคิดอย่างรอบครอบคิดอย่างลึกซึ้งคิดได้ดีก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือชั่วแค่นั้นเองครับที่จะพาให้เราไปสู่อ่าระดับด็อกเตอร์เหมือนกับท่านทั้งหลายได้แค่นี้แหละครับ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าจะให้มาเปลี่ยนคำนี้ขึ้นไปอีกระดับนะแทนที่ทจะคิดอย่างละเอียดคิดอย่างรอบคอบคิดอย่างลึกซึ้งบอกให้รู้สึกอย่างละเอียดให้รู้สึกอย่างรอบคอบและให้รู้สึกอย่างลึกซึ้งดีไหมเอออันนี้ก็เรียกเป็นอันนี้ไม่ใช่ระดับตัวเดินระร ะ, ระดับศาสตราจารย์ทีเดียวนะ้ <c oughs> ะรู้สึกอย่างนี้นะเอาขอผู้ชายที่สมัครใจท่านเขาเชิญท่านผู้ใหญ่แล้ะ ท่านนายกนะธรรมศสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีท่านศินดาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนๆนักศึกษาทุกศูนย์นะครับพอดีผมเป็นนักศึกษาจากศูนุนมมากคนเดียวนะครับก็เลยอยากจะมาพูดคุยนะครับความรู้สึกที่มีนะครับผมเองนะครับก่อนที่จะมาถึงนะครับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนักศึกษาที่หนองบุญมากไปปฏิบัติธรรมที่ก่อนนะครับก็ตัดสินใจว่า จะจบหรือไม่จบจะเอาหรือไม่เอานะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับนั่นก็คืองานมากนะครับสองกลัวจะไม่สู้นะครับกลัวจะไม่สู้ก็เลยไม่ไปกับเขานะครับก็บันนี้นะครับเห็ น, เ พ, นเพื่อนเพืนเขาอ่ า, อามานะครับผมมีคนเดียวก็เลยลองมาดูว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็จะถอยนะครับ <laughs> <Sergey> แต่ว่าในความรู้สึกพอมาแล้วมาเห็นเพื่อนๆ น, นนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาได้นะครับ <tangent> <c oughs> ก็ต้องสู้ต่อนะครับวันแรกนะครับทั้งทั้งคิดถึงบ้านนะครับแล้วก็ทั้งมาเราเราไม่เคยมีกลุ่มนะครับมาคนเดียวจะเข้ากับใครนะครับจะคุยกับใครนะครับเป็นเรื่องยากนะครับในการวางตัวอยู่ในกลุ่มเขานะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนเนนักศึกษานะครับอย่างท่านสมศักดิ์นะครับโทรประสานแล้วก็ได้คุยกันนะครับทําให้บรรยากาศในการปฏิบัติเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับ ยอมรับว่าวันแรกนะครับหิวด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติลักษณะนี้มาก่อนครับท่านหลวงพ่อแต่ว่าเห็นเพื่อนเขาทํานะครับเราก็ต้องทําได้นะครับเพราะว่าเวลาท่านรับสานอาหารหรือว่าเวลาปฏิบัติธรรมตอนเย็นนะครับท่านบอกอยู่ตลอดว่าให้พยายามอดทนให้พยายามตั้งสตินะครับก็พยายามตั้งแบบนั้นมาตลอดนะครับผมก็ไม่อยากจะใช้เวลาตรงนี้มากนะครับก็อยากจะฝากนักศึกษานะครับของเราทุกท่านนะครับว่า าการที่มาปฏิบัติธรรมนะครับนักศึกษาหลายคนนะครับเป็นผู้นํานะครับเป็นผู้นะําชุมชนเป็นผู้ที่ว่าเรานะครับจะไปเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะไปทําสิ่งดีๆให้กับในคนในชุมชนของเรานะครับในลูกหลานของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้มาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยๆนะครับก็จะได้มีความรู้สึกว่าสิ่งไหนที่สิ่งที่ผิดสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราจะที่เราจะให้โอกาสนะครับในการ นำความรู้สึกที่เราเก็บเกี่ยวจากท่านหลวงพ่อสอนเราทุกวันนะครับไปฝากชุมชนเขาเราไปให้ชุมชนเขาปฏิบัติเพราะว่าเราหนึ่งคนนะครับสามารถนะครับไปบริหารคนทั้งหมู่บ้านทั้งตําบล น, นะครับเพราะฉะนั้นในความคิดในความรู้สึกของเราที่ดีๆตรงนี้นะครับเราก็พยายามไปถ่ายทอดเขาต่อนะครับให้เขารับความรู้สึกดีๆจากพวกเรานะครับเพราะว่า หลายคนนะครับที่ไม่มีโอกาสมาเช่นนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเรามีแล้วนะครับเราก็ฝากตรงนี้นะครับไปถาดดทอถ่ายทอดต่อนะครับผมว่าถ้าวันนี้นะครับถ้าพวกเราแค่40กว่าคนเริ่มนะครับวันต่อๆไปนะคนอีกไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่พันคนนะครับที่จะนะครับเดินตามลักษณะแนวทางของเราที่ปฏิบัติอยู่นะครับส่วนโครงการประกอบการสังคมนะครับที่เราเรียนอยู่นะครับก็ตกกับประเด็นนี้พอดีนะครับสมมุติว่า เมื่อเช้าผมยังจับประเด็นหลวงพ่อบอกว่าการรับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยส่วนมากนะจะเป็นสารเคมีจะเป็นอะไรต่างๆพวกเรามีอาชีพนะครับในการทํางานในการประกอบอาชีพหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ความคิดนะครับในการประกอบอาชีพเนี่ยไปเกือกเก้อกูลไปเกื้อหนุนนะครับไปช่วยเหลือสังคมหรือไปให้เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับหากเราคิดในลักษณะหลวงพ่อที่ท่านสอนอยู่แบบนี้นะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่า เขารักชีวิตเขานะครับเราก็รักชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราก็ต้องคํานึงตัวเขาตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความรู้สึกที่ดีๆนะครับจากผมมาดูร่วมกลุ่มนะครับในการเข้าค่ายนะครับในการปฏิบัติธรรมในวันนี้นะครับผมยอมรับตรงๆว่านะครับผมได้กัญยาณิมิตรที่ดีนะครับจาก2 0งศนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับตามที่เคยอาจารย์เคยบอกนะครับว่าผมเคยได้ยินว่า ความยากลําบากหรือสิ่งที่นะครับมันเป็นอะไรที่ฝังใจมันจะจดจําไปนานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายากลําบากในการปฏิบัติครั้งนี้นะครับเราจะจดจําไปไว้อีกนานนะครับแล้วเราจะกลับมานะครับหาส่วนที่ลดจากปัญหาเรื่องความลาบากเป็นให้สิ่งที่มันถูกต้องเป็นสิ่งที่มันง่ายขึ้นนะครับต่อไปผมคิดว่าพวกเรานะครับจะได้มีโอกาสนะครับได้เจอกันนะครับในโอกาสต่อไปอีกนะครับผมก็มีแวลา เรื่งเท่านี้แหละครับหลวงพ่อครับครับขอบคุณมากครับอากาศเลือดขาด ก, ก า, าแฟหรือยังยังอา้าวต่อไปนี้ขอผู้หญิงอีกหนึ่งท่านกับขอทางผู้ชายแต่ว่าเป็นพระตัวแทนหนึ่งท่านเอาฝ่ายผู้หญิง ก, ก่อนเนาะเอานางเอกของเราแสงเดือนเออว่าเอาแสงเดือนา่า เรามาคุยเพื่นฟังหนะ่อยเล็วเลือเอมามาม า, ม า, มาถึงเวลาแสงเดือนแมนบุ่งมานั่งเลื้อมาทั้งนั้นเลยแสงเดือนก็จะพูดให้เราฟังเธอรู้สึกยังไงกับงานนี้นะเราถือว่าเป็นได้โชคดีทีเดียว น, นะนมัสการหลวงพอ่อและและเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะคิดว่าตอนนี้สติยังไม่เต็มร้อย ตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ปกตินะคะก็ดูแลผู้ป่วยได้สามารถเอาดูแลใส่ใจผู้ป่วยอย่างเต็มที่ไม่ทําให้ผู้ป่วยร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานค่ะไม่ไม่กลัวค่ะค่ะเป็นปกติแต่มาที่นี่ก็ไม่ทราบตัวเองเหมือนกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าน่าจะน่าตัวเราเองน่าจะไม่มีสติตั้งใจยกมือค่ะ พยายามแล้วค่ะพยายามฝืนเมื่ออาการจะเกิดพยายามฝืนตั้งสติแต่บางครั้งมันฝืนตัวเองไม่ได้ค่ะไม่เคยค่ะครั้งแรกในชีวิตค่ะก็ฝากให้เพื่อนๆถ้าจะไปปฏิบัติหรือว่าไปเที่ยวสถานที่ในไหนก็อย่าไปลบหลู่นะคะก็ปฏิบัติตัวให้ดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ เลิกแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฮะาอาจารย์หลวงพ่อที่เป็นเพื่อนเรามาตลอดหลวงพ่อพระครูนะสุนทรสุนทรวลวิทย์เนาะหลวงพ่อมาเที่ยวนี้ได้มาร่วมเป็นนักศึกษาทีงพ่อมีองค์เดียวแต่ว่ารู้สึกว่าได้ผู้ร่วมปฏิบัติร่วมเรียนที่นี่ที่เป็นครหอส่าทั้งนั้นหลวงพ่อมีความรู้สึกอย่างไรครับ ขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระมหาดิเรกนะฮะแล้วก็คณะครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็เพื่อนนักศึกษาเรียกว่าเพื่อนนักศึกษาจะได้เป็นกันเองนะ <c oughs> ก็ <c oughs> คงไม่ไม่พูดมากนะฮะพูดคนเดียวเยนี่ยองเดียวเยนี่ยแต่ว่าคงจะไม่ใช้เวลามากเพราะว่าใจของพวกเราคงเอะ อยู่ที่บ้านกันหมดแล้วแหละนะฮะบางท่านก็มาสถานที่ตรงนี้ช่วงห้าวันเนี่ยก็เหมือนกับได้ปลดปล่อยอสภาวะของจิตไปในทางที่ดีนะฮะก็ได้รับปริญญาแล้วคือปริญญาใจน ะ, ะเออ ส่วนปริญญาบัตรนั้นมันเป็นหลักฐานองประกอบเฉยๆนะฮะที่ได้ก็คือได้เพื่อนถึงเราจะอยู่ในวุฒิภาวะเพศที่ต่างกันแต่เราก็เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเกิดเกเจ็บตายด้วยกันนะนั้นก็ได้ได้ตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็อ่า จะเอาสิ่งที่ได้จากพระอาจารย์มหาดิเรกเนี่ยรู้สึกว่ า, าดีมากะเพราะไม่เคยที่จะได้รับตรงนี้นะก็จะนำสิ่งที่ท่านได้ถ่ายทอดอวิธีการปฏิบัติการเจริญสติที่ท่านทำอยู่นี่แบบตามรู้เนี่ยเอาไปใช้กับพระเนนทิวัดพราะว่า ที่วัดพระเนตรมาศรีสิบห้ากรูปที่เป็นเนนกํมพาร์บางเนนที่พ่อแม่ฐานะยากจนบางทิ้งกันบางยารางกันบงังก็เอามาศึกษาเราเรียนตั้งแต่มัธยมปีที่หนึ่งถึงปีที่6กตั้งแต่ปี2องจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เลี้ยงเด็กสองขวบครึ่งสาขวบต้งหมด70คนด้วยกันที่อยู่ที่วัด ก็ที่ได้ลงมาศึกษาในสวนตรงนี้ก็อยากจะรู้วิธีการต่างๆแล้วก็ดูสิว่าได้รับสิ่งตรงนี้เยอะนะฮะที่จะได้เอาไปปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติแบบง่ายๆไม่ต้องมีพิธีขั้นตอนไม่ต้องมีพิธีกรรมเหมือนกับการทำบุญ ขึ้นบัารใหม่โกนรถไฟแต่งงานทาตรงไหนก็ได้บนรถก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถที่จะเจริญส ต, ต, ติตรงนี้ได้ น, นี่คือส่วนส่วนส่วนดีที่ที่รูปแบบการปฏิบัติอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็จะนำไปสอนพระเดนสอนเด็กนักเรียนที่สอนอยู่ในโรงเรียน ใ ห, ให้เขาได้ทำในส่วนตรงนี้มันจะเป็นผลดีแก่การศึกษาของเขาแก่สุขภาพของเขาด้วยแล้วก็จะถ่ายทอดไปถึงญาติโยมที่สนใจอยากมาปฏิบัติในแนวแบบนี้ให้ได้รับประโยชน์มีโอกาสก็คงจะได้มาเพราะว่าอยู่อย่างนั้นมันก็อ มันก็จะไม่สงบเท่าที่ควรนะเพราะอยู่กับ เ, เด็กนะที่กำลังก้าวสู่วัยรุ่นนะเพราะว่าเน้นสมัยใหม่เป็นเน้ยนยุคไอทียุคเทคโนโลยีไม่คือเน้นสมัยแต่ก่อนนะก็มาร้อยพ่อพันแม่นะถ้าเราได้มาชาร์จแบตเตอรี่ในตรงนี้ให้มันเต็ม เราก็จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์จากการบริหารวัดบริหารการศึกษาได้อ่า น, นั้นก็ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาทิเรกที่ได้ถ่ายทอดอ่าองค์ความรู้ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจนเกิดอ่าภาวะอ่าได้เห็นในสัจธรรมในส่วนตรงนี้นะฮะก็เพื่อ น, นักศึกษาทุกๆ ท, ท, ท่านเราก็คงจะได้นำเอาไปใช้เอาไปปรับใช้ตามวิถีชีวิตของความเป็นคาวาัต ที่เรายัางต้องพบปะกันในสังคมอยู่ก็คงจ ะ, ะมีเรื่องฝากเพียงเท่านี้ครับก็ต่อไปเราจะได้ฟังโอาวาทจากพระอาจารย์วิมุลผู้เคยดูแล เป็นเจ้า ว, วาดเป็นผู้กอ่อสร้างที่นี่มายาวนานท่านจะบอกให้เราว่าสถานที่ตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วคนที่มาทําอย่างพวกเราเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้ไหมแล้วก็เราควรจะทําตัวอย่างไรคนที่มาที่นี่ถึงจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วพระอาจารย์ในช่วง5วันอยู่ที่นี่ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของนักศึกษาตลอดถึงกิจกรรมต่างๆเท่าที่พระอาจารย์ได้สังเกตเห็นก็ขอให้พระอาจารย์เก็บเอาสิ่ง เหล่านั้นมาเป็นเครื่องเตือนใจในส่วนที่ขาดถกบุบร่องและในส่วนที่ดีแล้วก็อาจารย์จะมีสิ่งใดที่จะนำเสนอและฝากฝังไปให้กับคณะนักศึกษาได้นำปฏิบัติต่อไปขออนุครับ <c oughs> ขอถวายความเคารพพระอาจารย์มหาผู้เป็นประธานสง์ ก็พระเทระทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงมีแต่บัณฑิตใหม่ผู้เป็นเรือว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาธรรมอขอนั่งตามสบาย่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะของการที่จะอำลาพระจากกัน ซึ่งการมาสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาเพื่อการศึกษามาเพื่อการฝึกหัดตนเองนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความรู้และความเข้าใจในหลักของการปฏิบัติ <c oughs> ก่อนอี่ก็ขออนุโมทนาแล้วนะ ทุกท่านได้ตั้งใจแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติสถานที่ตรงนี้เพราะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งพระรัตนตรยัยนะเป็นที่ปลดปล่อยนะกิเลสเป็นที่ลดละเลิกอบายามุกเป็นสถานที่อบรมจิตใจให้มีความสงบ ความเย็นนะถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดเพราะฉะนั้นการมาที่นี่เนี่ยก็แล้วก็มาถูกต้องแล้วนะเพราะว่าการอยู่ในฐานที่สิ่งแวดล้อมที่มันสงบนะที่มันไม่มีสิ่งรบกวนมากก็ถือว่าเป็นที่ที่สัพเพะในการที่จะเจริญภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมการ ม, มาอบรมสีห้าวันเนี่ย อาตมาก็ไม่ได้อยู่คุกคีใกล้ชิดอะไรมากแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะสิ่งที่ดีแล้ววันแรกก็เสียงดังมากนะแต่ว่าวัน ต, ต่อมาก็ค่อยสงบลงสงบลงจนอยู่ภาวะที่สงบเป็นปกติก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้การเจริญสติปัฐานเนี่ยที่พระอาจารย์ท่านได้แนะนำบอกพวกเราเนี่ย เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำไปประยุกใช้กับชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาเพราะในหลักภาติตทางศัสนาบอกว่าสติสัมพัทธปฏิยาสติจำปรัถนาในที่ทั้งปวงเพราะฉะนั้นการอยู่อย่างมีสติเนี่ยอยู่ที่ไห น, ไหนจิตใจเราก็มีสุขแต่ถ้าเราอยู่อย่างขาดสติก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจ เพราะนั้นการเจริญติปัฐานการฝึกขัดอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้นําวิธีการเราเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะเพราะว่าเราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องกม้มต้องเอยต้องคู่ต้องเหยียดเคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลกวากัพปิดตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเรามีอยู่เลยธรรมชาติอยู่แล้วนะถึงแม้เราไม่ได้ยกมือไม่ได้สร้างจังหวะแต่ว่าเรายืนเดินนั่งนอนอยู่โดยธรรมชาติเนี่ยให้เราใส่สติเข้าไปเลย นะเดินก็จะจะได้เดินแบบเปล่าๆกนะาหนดความรู้สึกทำความรู้สึกในการเดินจะไปห้องน้ําจะไปโน่นมานี่ก็พยายามที่จะใส่ใจฝึกให้อยู่กับความรู้สึกตัวเราเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติเพราะการฝึกหัดนี่มันมีอยู่2อสองแบบแบบหนึ่งคือต้องอยู่ในรูปแบบต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องสร้างยกมือสร้างจังหวะตามเรียกว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําอบรมเพิ่ เพื่อเป็นการฝึกหัดให้เราเคยชินกับการทำความรู้สึกตัวเมื่อเราทำความรู้สึกตัวที่มันเข้าใจดีแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะการจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราฝึกตัวเองให้อยู่กับการรู้สึกกับการขึ้นไหวให้มากก็จะเป็นการปฏิบัติโดยที่ว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบนะหว่านอกรูปแบบอย่างหนึ่งคืออยู่ในรูปแบบในกรอบนะพอเราไม่ได้ทำตาม รูปแบบแล้วก็อาศัยอิริยบทที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นการฝึกเจรจิญสติไปในตัวเพราะว่าโดยปกติที่เราไม่ได้ฝึกหัดเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราไปแบบใจลอยเท้าเดินไปแต่ใจก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรไปที่อื่นมือกําลังเคลื่อนไหวล้างถ้วยล้างจานปัดกวาดซักผ้าอยู่เนี่ยแต่ว่าใจจิตใจไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรากระทำเนี่ยจิตใจกับการกระทําของร่างกายมันไม่ประสานกันสติสัมปชัญญะของเราก็เลยเลื่อนลอย เป็นคนมือลอยใจลอยที่ไอ้ความเป็นคนมืมอลอยใจลอยนี่แหละมันจึงเป็นเหตุทําให้เราคิดวุ้งซ่านอึดอัดลาคาญหงุดหงิดเนี่ยก็เลยทําให้จิตเรานั้นวุ่นวายนะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยในหลักแรกนี่เราจะฝึกอาศัยการฝึกให้มันรู้สึกกับกา ย, ยให้มากๆนะเพราะว่าสติเรามันยังหยาบอยู่อาศัยกายเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นฐานให้ทําความรู้สึกให้มาก แต่เมื่อเราทำความรู้สึกตรงนี้ให้มันเกิดความชํานาญรู้สึกตัวได้มากอย่างหยาบยืนเดินนั่งนอนอย่างกลางการกม้มการเงยการคู่การเหอียดการเคลื่อนกันไหวเนะี่ยละเอียดเข้าไปแม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกให้เราฝึกให้มีความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เราก็ทําได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหรือว่ารู้อารมณ์รูปนามเนี่ยปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเรายัง กำหนดอริยบททางกายเนี่ยยังไม่ระลึกรู้เท่าทันทุกๆอริยบทเนี่ยสติเราเผลอลืมหลงง่ายมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะ <c oughs> จับความรู้สึกที่มันลึกละเอียดในขั้นนามาทําได้ชัดเจนแต่เมื่อเราฝึกสติกับกายนี้มากนะฝึกมากคือมากเข้ามากเข้าแล้วเนี่ยการเห็นจิตใจหรือการเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยก็จะปรากฏ กับผู้ปฏิบัติปรากฏเห็นเองชัดแจ้งเองเนะเห็นชัดแจ้งด้ว ย, ด, วยด้วยสติด้วยความรู้สึกของเราเองมันก็จะเป็นพื้นฐานของการที่จ ะ, ะทำจิตเรานั้นให้รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่เพราะว่าของความรู้สึกแห่งความหลงมันเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าถ้าเรารู้สึกตัวมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันมันประชิญหน้ากันระหว่างตัวรู้กับตัวหลงเนี่ย แต่เราใส่ตัวรู้กำหนดรู้มากขึ้นมากขึ้นความหลงความเผลอความลืมความขาดสติก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่มีโยนิโสมนสิการว่าไม่ได้ทําในใจโดยแยบคายร่วมไม่ได้ทําในสิ่งที่แห่งการระลึกรู้เนี่ยความหลงก็จะมากขึ้นทีนี้ความหลงเนี่ยมันหลงไปในอารมณ์หลงไปในความคิดหลงไปในเรื่องราวต่างๆมากมายแหละมันหลงแล้วมันก็คิดไปเพลินไปหลงไปเรื่องทุกข์มันกระทุกอยู่นั่นแหละทุกข้ามวันข้ามคืนหลงอยู่ความโกรธ ความโกรธก็ลากไปจูงไปในสติของเรามันก็ไม่ตื่นไม่รู้แต่ว่าเราฝึก บ, บ่อยๆทำบ่อยๆแล้วเนี่ยสติตื่นรู้ในใจเราจะเย็นลงง่ายอารมณ์มากระทบระลึกรู้มันก็หลุดพ้นไปทันทีอารมณ์ใจบังคับทบทำให้จิตใจมันขุนมือสมองรู้ทันแล้วมันหลุดไปง่ายๆทันทีเนี่ยสร้างความหลุดพ้นจากอารมณ์เป็นขณะขณะอย่างเนี้ให้ทำ บ, บ่อยๆบ่อยๆแล้วต่อไปเนี่ยพอประสบกับอารมณ์เนี่ยรู้ทันรู้ทันแล้วมันก็ผ่านผ่านผ่าน นะจิตใจแล้วก็อยู่อย่างปกติไปต้องไป <c oughs> เป็นทุกข์วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆนะมันมันตัดตัดอารมณ์ตัดเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นยิ่งท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำอของชุมชนเนี่ยนะอารมณ์กระทบมากนะโยมนะคนที่ทำงานเนี่ยนะยิ่งทำงานทางานมากเท่าไหร่ยิ่งทำงานสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยัอมมีอารมณ์กระทบมากนะเราจะเห็นเจานักการเมืองนัก ที่ทํางานระดับสูฝูงไปเนี่ยถูกดา่าถูกว่าถูกตําหนิติเตียนถูกสารพัดนะโยมเพราะฉะนั้นอารมณ์เราเนี้ยมันก็จะกระทบอยู่ตลอดคนที่ทํางานนี่มันก็ต้องมีเรื่องอย่างเงี้ยโยมมาเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเองแหละนะเราจะเห็นนายกยังเป็นนายกก็ยิง่งยิ่งโดนหนักนะยิ่งอยู่ในชุมชนอยู่ในนี้ก็ต้องมีนะคนที่ไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ถูกใจก็จะหาเรื่อง ลาต่างๆมาพูดจะทําให้อจิตใจเราคว้ยเฟ้เนีมีมากแต่ถ้าเราฝึกอารมณ์ตรงนี้ไปฝึกสติปัฐานนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะจะทําให้เรานี่มีจิตใจที่มั่นคงนะอารมณ์ต่างๆกระทบเข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถผ่านไปโดยจิตใจที่เป็นปกติเนะพราะว่ามีสติคุ้มครองรักษาจิตใจให้อยู่เพราะว่าปกติอยู่อย่างเงี้ยเรื่องมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างมากเลย พนันสติจึงถือว่าเป็นการพัฒนาจิตใจเราเนี่ยให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจเย็นนะใจเย็นใจเป็นปกติอะไอารมณ์ในกระทบมาก็รับได้ฟังได้พิจารณาได้ใจเราก็ไม่ไม่โกรธง่ายถึงจะโกรธก็ดับได้เร็วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตเรานั้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้ก็คงไม่ได้ก่าวอะไรมากเพราะว่าทุกท่านก็จิตใจจดจอ่ออยากจะกลับบ้านนะเต็มร้อยเต็มทีแล้วล่ะก็คงขอให้อวาาดหรือการกล่าวอ่าไว้แต่เพียงเท่า น, นี้การมาอยู่ที่นี่5้าวันก็ถือว่าเรียบร้อยปกติดีงามนะถือว่าสำเร็จประโยชน์นะดังนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติในครั้งนี้โดยท่หน้ากันทุกคนทุกท่านเจริญพรอ่าจะไป <c oughs> ลำดับก็คือจากนี้ไปก็ถวายสังฆทานจึงมีเชื้อปรารย์เป็นน้นะในนามตัวแทนของเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็จะรับบุิบัติรับพรแล้วก็รับบุิบัติพรเงินไปในช่วงรับบฏิบัติพพรให้พรเสร็จช่วงรับบุิบัติก็พระก็เชยันโตไปเรื่อยๆจนเสร็จนะต่อไปซึ่งวันนี้หลังจากที่ฝ่ายศิลปจารย์มาเป็นคนหนึ่งมามอบ ไปปฏิบัติหลวงพ่อตามรายชื่อเพราะหลวงพ่อไม่รู้จักใครเป็นใครแล้วก็ตัวแทนผู้ชายท่านหนึ่งมาอมอบตรงนี้พระอาจารย์พิมลทัชจนังพระอจารย์ทัาเจนังตรงนี้แล้วก็มอบหนังสือชุดเนี้ยท่านชนัตรงน้หลวงพ่อนั่งตรง้นพ่อมอบปฏิบัติตรงน้นแล้วก็จะดามรา ด, บ, ดบไปนะ